ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติตรงผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกผู้ปฏิบัติที่สมควรแล้วก็ขอโอกาสข้าสงฆ์ทุกท่าน ที่ประชุมกันที่นี้แล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่รับฟังธรรมเทศนาทุกคนธรรมะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เขาไปถึงตัวธรมรมคำว่าตัวธรรมในทางพุทธศาสนา ก็คือหลักธรรมชาติแห่งความเป็นอยู่ที่เป็นจริงของมันหลักธรรมชาติแห่งความเป็นอยู่ที่เป็นจริงที่ได้ชื่อว่าธรรมะนั้นเป็นหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ตัวธรรมะไม่มีบุคคลใดอื่นเลยที่จะสามารถล่วงรู้ได้นอกจากบุคล ah บคลที่ได้ชื่อว่าส ah ัมมาสัมพุทธะหากไม่มีบุคคลที่ได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะ ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปร่วงรู้ธรรมะซึ่งเป็นตัวธรรมชาติอันนั้นได้เมื่อมีบุคคลนามว่าสัมมาสัพพุทธะได้ทําการตรัสรู้ธรรมะจึงได้ถูกเปิดเผยออกมาพระพุทธศาสนาเราจึงเป็นที่บรรจุไว้ซึ่งหลักคําสอนที่สอนให้พวกเรารู้จักสิ่งที่เป็นธรรมะที่เราเรียกว่าสัจธรรม แล้วในบรรดาหลักคำสอนที่เป็นธรรมะทั้งหมดที่พงค์ศงสอนนั้นพองค์สอนลงอยู่ที่กายวาจาและใจของเราทุกคนมีกายทุกคนมีวาจาทุกคนมีใจแต่กายวาจาใจของเราที่เป็นอยู่ในเวลานี้ที่ติดอยู่กับเราตั้งแต่วันเกิดแล้วก็อยู่กับเราไปถึงวันตายไม่เคยพากจากกันแต่ทําไมเราไม่เคยรู้จัก ธรรมะที่พงค์ทรงสอนไว้ที่รวมลงอยู่ในกายวาจาใจในตัวของเราทําไมเราไม่รู้การที่เราไม่รู้นั่นเองเราจึงถูกปิดบังไม่ให้ทราบความจริงของกายหรือว่าความจริงของใจเมื่อเราไม่ทราบความจริงของกายและไม่ทราบความจริงของใจจึงเกิดความหลงหลงอะไรหลงยึดถือในตัวตนในกายของเราหลงยึดถือในจิตว่าเป็นตัวของเราความหลงเหล่านี้เองพระพุทธเจ้าบอกว่าจะทําให้มนุษย์ ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะหรือว่าสดจธรรมการที่พวงทรงตรัสถึงธรรมะหรือวัสัจธรรมเพื่อต้องการชี้ให้เราเห็นความจริงที่อยู่ในตัวเราการที่เราสามารถเห็นความจริงที่อยู่ในตัวเราได้นั้นก็เพื่อที่จะได้ให้เรารู้จักการปล่อยวางละใครการยึดมั่นถือมั่นเพราะการยึดมั่นถือมั่นนั้นมันนำมาซึ่งความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราต่างๆนานาประการ พอเรามีความทุก <spoil> ข์กันได้ตลอดเวลาแต่มูลเหตุแห่งความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นอาศัยเหตุเหล่าใดมากระทบนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยตามภาวะของช่วงเวลาหรือว่าขณะขณะบางขณะเราก็มีความสุขขณะบางขณะเราก็มีความทุกข์สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะเลือกได้มันเกิดขึ้นมาตามเหตุที่ผ่านเข้ามากระทบหากไม่มีเหตุผ่านเข้ามากระทบเราก็จะไม่สามารถรับทราบความสุขหรือความทุกข์ได้ เมื่อเราไม่ทราบว่าจะมีเหตุใดมากระทบกับชีวิตของเราแล้วเกิดเป็นความสุขหรือความทุกข์ขึ้นตรงนี้เราก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่รู้อีกนั่นเองเพราะเราก็ไม่สามารถคำนวณได้แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะธรรมะที่เราเข้าใจนั่นหรือว่าสัจธรรมที่เราเข้าใจจะสามารถทาให้เร า, าคานวณได้ว่า สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเราควรจะปฏิบัติต่อสุขหรือทุกข์นั้นอย่างไรหรือเหตุใดก็ตามที่จะมากระทบกับชีวิตของเราจะเป็นไปเพื่อสุขหรือเป็นไปเพื่อทุกข์เราจะสามารถปฏิบัติต่อเหตุเหล่านั้นได้เราพุทธศานาพยายามชี้ให้เห็นธรรมะคือตัวกลตัวใจของเราเองเพื่อให้ทราบสิ่งที่มากระทบนั้นโดยความเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อเกิดและก็ตั้งอยู่ แล้วก็เสื่อมสลายการที่พระพุทธเจ้าทรงชี้สิ่งเหล่านี้ให้เราได้ทราบนั้น <S 2> <S 2> <ๆ>เพื่อจะไม่ให้เราได้หลงหลงอะไรหลงสิ่งที่มากระทบนั้น่ <S <S 2> <S 2> เพื่อให้ตัวเองไปเป็นในสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบเป็นเหตุปัจจัยภายนอกแต่เมื่อกระทบแล้วมันจะก่อเกิดเป็นปัจจัยภายในภายนอกกระทบกับภายในจึงมีการก่อเกิดกันขึ้นมีการกระทบกั น, กรกรกนวัตถุสองสิ่งกระทบกันก็ต้องเกิดเสียงอารมณ์ภายนอกกับอารมณ์ภายในกระทบกันหรือว่า ที่พวกเราใช้คําว่าอายตนะคือสิ่งเชื่อมต่อเมื่อกระทบกันเมื่อไหร่ก็ต้องเกิดสภาพอารมณ์ภายในจิตจะเป็นไปเพื่อสุขหรือทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือว่าตัวกายกับใจของคนคนนั้นว่ากายกับใจของคนค น, นั้นมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่มากระทบตนมากหรือน้อยแค่ไหนหากเจ้าของกายเจ้าของใจนั้นน่ะไม่มีความรู้ในสิ่งที่มากระทบตามหลักคําสอนหรือว่าหลักสัจจะหรือว่าหลักธรรมแน่นอนว่าเขาจะเกิดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มากระทบ ว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเป็นสิ่งต่างๆนานาประการขึ้นมาชีวิตของเราจึงไม่มีวันจบสิ้นในวัตะสงสารเพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นถือมันในตัวตนของเราการยึดมั่นถือมั่นนี่เองจึงเป็นการสืบต่อสุขทุกข์ดีชั่วทูกพิษที่เข้ามาเชื่อมโยงกับตัวเราให้ส่งผลเป็นไปในภพชาติอยู่ไม่มีทางสิ้นสุดได้การที่พระพุทธเจ้า ทรงตัดสรุธรรมะแล้วนำบอกนำธรรมะมาบอกมาสอนพวกเราเพื่อให้เรายุติการสืบต่อวงจรแห่งความทุกข์ไม่ใช่ว่าผู้พระเจ้าไม่ต้องการให้พวกเราไม่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้นะหมายถึงว่าถ้าพวกเรามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้แล้วอยู่แล้วมันมีความสุขโดยไม่มีความทุกข์เลยผู้พระเจ้าคงจะไม่สอนธรรมะแต่เนื่องจากว่ามนุษย์อยู่ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถที่จะเลือกให้ชีวิตตัวเองมีความสุขโดยส่วนเดียวโดยที่ไม่มีความทุกข์เลย มันเลือกไม่ได้หรือกําหนดไม่ได้โดยความที่เราทั้งหลายไม่สามารถกําหนดชีวิตให้มีความสุขโดยส่วนเดียวได้ น, น, นั่นเองพระองค์จึงชี้โทษแห่งความเกิดหรือ่อความเป็นอยู่ชาติปีติทุกขาการเกิดเป็นความทุกข์ทั้งๆที่ว่าชีวิตของเราก็มีความสุขอยู่แต่ทําไมพระองค์ถึงชี้ความทุกข์โดยส่วนเดียวทําไมถึงบอกว่าชาติปีติทุขาแล้วทาไมไม่บอกชาติปีติสุ ข, ขาความความเกิดทําให้เกิดสุขได้เนื่องเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้ น, นพระองค์ทรงสอนเพื่อให้เกิด อนุโลมญาณคาว่าอนุโลมญาณคือการการอย่างรู agen, hence, ้อย <ique> ่างเห็นตามความเป็นจริงทำไมพระองค์ถึงต้องการให้เราอย่างรู้อย่างเห็นตามความเป็นจริงเนื่องเพราะว่าพวกเราทั้งหลายไม่มีความรู้ตามความเป็นจริงมาแต่เดิมก็คือจิตของเราะมีความไม่รู้คืออวิชชาครอบงำหรือติดตัวมาตั้แต่วันเกิดหรือก่อนที่จะมาเกิดมันมีอวิชชาติดมาแล้วการที่เราไม่มีความรู้หรือไม่ทราบความรู้ ในความเป็นอยู่ของชีวิตตามความเป็นจริงหรือไม่ทราบหลักธําตามความเป็นจริงนี้เองมันจึงเป็นมูลเหตุสืบต่อของชีวิตเราไปในวัฏสงสารอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหมายถึงว่าเราไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพียงแค่พบนี้ชาตินี้หรือตอนนี้หรือเวลานี้เรามีชีวิตมาแต่อดีตการและจะมีไปในอนาคตการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากเราไม่สามารถยุติการเรียนว่าตายเกิดได้ เราก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วเราก็สามารถคํานวณ ไ, ได้ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าอดีตจะมีก็ตามหรืออนาคตจะม่มีก็ตามจะมีหรือไม่มีก็ตามไม่ได้เป็นปัญหาแต่เราทราบว่าตั้งแต่วันเกิดที่เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจําความได้ชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างและเรื่องเราทั้งหมดที่ผ่านมานั้นคืออดีตเมื่อชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยเท่าอายุของเราที่เป็นอยู่ในเวลานี้เราผ่านช่วงวันช่วงเวลาวันคืนเดือนปีมาเนี่ย จนห้าสปี60ปีอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมาเรื่อล่วงมาของเรานั้นอ่ะเราผ่านอะไรมาบ้างนั่นคือชีวิตในส่วนที่เป็นอดีตอดีตแห่งชีวิตในความเป็นอยู่ของเราเราทราบได้แต่ชาติก่อนเราทราบไม่ได้นั่นคืออะไรก็คือความไม่รู้ปิดบังไว้แต่ทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งได้ตัดสั้นความจริงแล้วไม่มีความไม่รู้หรือว่าอาวิชชาไม่สามารถปิดบงังจิตของพระองค์ได้พระองค์จึงทราบเหตุ แห่งการเวียนไหวตายเกิดที่ไม่ใช่เฉพาะความเป็นอยู่ในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นที่เราเป็นอยู่พระองค์ทรงทราบในอดีตภพอดีตชาติก่อนหน้าที่จะพระองค์จะมาเกิดนั้นเกิดเป็นอะไรไมาอีกพระองค์ก็ย้อนกลับไปดูเพราะไม่มีอะไรปิดบังจิตของพระองค์ได้อีกพอพ่อพวงศ์ทํำลายอาวิชชาได้แล้วเมื่ออวิชชาถูกทําลายพระองค์จึงทราบสายโยงแห่งการเวียนไหวตายเกิดนั้นมาเป็นอเนกภพอเนกชาตินับชาติไม่ถ้วนจนพระองค์ไม่สามารถ จับจุดแห่งการเกิดเริ่มแรกได้ว่าเริ่มแรกนั้นมาจากไหนพรโองค์ไม่สามารถตรัสถึงว่าเริ่มแรกจริงๆมาจากไหนแต่พระองค์ทรงตรัสถึงเรียกว่าในช่วงกับที่ว่างเปล่าแล้วก่อเกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นในคราวครั้งแรกที่เรียกว่ามนุษย์โอปติกาอันนั้นโฮงตรัส ถ, ถึงอยู่การก่อเกิดของมนุษย์แต่ว่าเริ่มแรกจริงๆเนี่ยจุดจริงๆเ่ยของจิตเนี่ยมาจากไหนโฮงไม่ตรัสถึงแล้วจะสิ้นสุดอย่างไรพระฮงไม่ตรัสถึงพระองค์ตรัสถึงแต่ว่าเมื่อมันมีอวิชชา แล้วเราสามารถทำลายอาวิชชาเมื่อนั้นเราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเมื่อเรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นิพพานจะเป็นที่ยุติภพชาติทั้งปวงแล้วนิพพานนั้นคือประโยชน์อันที่เราจะได้รับในการปฏิบัติต่อหลักคำสั่งสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและการที่เราจะทำลายอาวิชชาเข้าถึงนิพพานได้เราจะต้องรู้จักธรรมะหรือว่ารู้ ตามความเป็นจริงด้วยอนุโลมยาณการที่พระองค์ทรงบอกว่าการเกิดเป็นความทุกข์เพื่อให้เกิดอนุโลมยาอยังเห็นตามความเป็นจริงหากเราจะบอกอดีตชาติเป็นสิ่งที่ไกลตัวเกินไปแต่ถ้าบอกว่าอดีตในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เราจะมองเห็นทีนี้การที่เรามองเห็นอดีตในชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราสามารถเทียบได้ไง่ายๆว่าสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดน่ะสุขกับทุกข์อันไหนมันมากกว่ากันแล้วถ้าเกิดอีกให้เรา ไปมีชีวิตแบบที่เราเคยเป็นมาแต่แต่ตอนเกิดให้เราเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เ, เราอยากจะกลับไปเป็นไหมเราอยากจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นไหมตั้งแต่เป็นเด็กเติบโตมาเป็นเด็กหนุม่มเป็นผู้ใหญ่คลองเรือทำ ก, การงานทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดเนีย่ยพวกพวกเราทํากันมาถามว่าพวกเราต้องการใช้ชีวิตอย่างนี้แบบซ้ําๆซักๆไปไม่รู้จักจบจากสิ้นอย่างนี้ไหม เมื่อเราพี่นาดูถี่ทั่วแล้วตมาเชื่อว่าหากเรามองเห็นชีวิตที่แท้จริงว่าเราอยู่กับความทุกข์อยู่ตลอดแม้ความสุขจะมีอยู่ก็มีอยู่เป็นเพียงแค่เครื่องบรรเทาพอให้ชีวิตเราดำลงพอเป็นไปได้เท่านั้นเองหิวก็กินข้าวพอให้มันอยู่ได้ในเวลาช่วงระะเวลาหนึ่งเช้าก็กินพอมันระงับความหิวในเวลาเช้าเดี๋ยวเที่ยงมาก็หิวอีกแล้วบ่ายมาก็หิวอีกแล้วก็กินพอให้มันระงับหรือว่าบรรเทาความทุกข์ ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งง่วงเรานอนแล้วก็นอนหลับพอมันเทาความทุกข์ที่เกิดจากความง่วงไปช่วยระยะเวลาหนึ่งเราก็ต้องตื่นมาทําการทํางานการทําการทํางานเป็นความสุขหรือความทุกข์ในขณะที่เราทําการงานอาตามาเชื่อว่าทุกคนรับรู้รับทราบได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในขณะที่ทํางานมันแน่นอนอยู่แล้วการทํางานไม่มีใครยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะที่ทํางานได้ได้ดีเท่าไหร่หรอกส่วนมากจะมีความเครียดกับการงานที่ทําต้องรับผิดชอบงานนั้นงานนี้ขึ้นมา เพียร์หนักหรือแก้ปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในขณะที่ทํางานเป็นความผิดความพลาดการที่พระองค์ทรงชี้ทุกนั่นไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะมีความทุกข์ล้วนๆความสุขก็มีจริงอ่ะแต่พระองค์ว่าความสุขเหล่านั้นมันไม่จริงด้วยความที่พระองค์ทรงชี้ว่าความสุขที่เราเป็นอยู่นั้นไม่จริงพระองค์จึงไม่อยากให้เราติดอยู่กับความสุขที่มันไม่จริงให้หาความจริงที่แท้จริงไอ้ความจริงที่แท้จริงนี่เองอ่ะธรรมจะบอกเราว่าความจริงที่แท้จริงเป็นยังไง ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราจะไม่เข้าใจว่าความจริงที่แท้จริงเป็นยังไงการที่พองคทรงสอนธรรมะก็เพื่อให้เราได้เข้าใจความจริงที่แท้จริงพองจึงบอกว่าชาติปีทุกขาการเกิดเป็นทุกข์หมายถึงว่าถ้าเราเกิดอีกเราก็ต้องทุกข์อย่างนี้อีกและเกิดอีกเราก็ทุกขอย่างนี้อีกแล้วการเกิดไม่ใช่เกิดเฉพาะในความเป็นมนุษย์เท่านั้นการเกิดมีหลายกำเนิดเปรผีปีศาจอสุรกายสัตว์ชันนรกสวรรค์พรหม อันนี้คือที่ตั้งแห่งการเกิดหรือความเป็นไปของจิตและความเป็นไปของจิตจะไปเป็นไปอย่างไรพวง ก, ก็บอกว่าเป็นไปจากเหตุปัจจัยที่เรากระทำในปัจจุบันนี้ละชีวิตไปแล้วสิ่งเรา ท, ที่เราทําทั้งหมดจะเป็นเครื่องผักดันเขาเรียกเป็นคตินิมิตนําเราไปสู่ภพแล้วสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดจะเกื้อกูลให้เราเป็นไปในภพชาติโดยความเป็นมนุษย์โดยส่วนเดียวนั้นพระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ยากมากพวงเคยตรัสถึง ภาวะแห่งความเป็นมนุษย์วการที่มนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกหรือว่าตั้งอยู่ในสุขติภูมิเนี่ยเป็นของยากมากการที่มนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไปสู่ทุคติภูมินั้นมีเยอะมีมากพระองค์จึงเปรียบว่ามากหรือน้อยมาตาส่วนโดยเปรียบเทียบกับเขาโคกับผลโคบุคคลผู้รัชีวิตไปแล้วเข้าสู่สุขติภูมิตั้งแต่มนุษย์ไปเนี่ยประดุดดังเขาโคบุคคลผู้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วและรชีวิตไป ไปสู่ทุกขติภูมิในปดุม ด, ดังขนโคมาตาส่วนที่พรงษ์ทรงเปรียบเทียบให้เห็นนะ่ะพงค์เปรียบเทียบด้วยสัพพัญยุตยานยานที่พองค์ทรงทราบอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าคนที่ละชีวิตจากโลกมนุษย์นี้ไปนี้ไปสู่ทุกขตินะมากมายเหลือเกินด้วยความที่พระองค์ทรงเล็งเห็นเหล่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไปสู่ทุกขติภูมินั้นเป็นที่ทุกขทรมานมากพกองค์ทรงมีกรุณาต่อเหล่าสัตว์พระองค์จึงแสดงหลักธรรมทั้งหลายให้สัตวนะ์ที่กําลังดําเนินชีวิตอยู่โดยเฉพาะมนุษย์ ศาสนานี่พระองค์ตั้งไว้ในโลกมนุษย์ตั้งไว้บนเทวโลกไม่ได้เพราะเทวโลกมีแต่ความสุขจะบอกว่าทุกทุกทกเทวดานบอกจะทุกตรงไหนการงานก็ไม่ได้ทําอาหารก็ทิพที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้สร้างด้วยอิดด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายไม่ได้ทําอย่างนั้นเพราะกระเพื่อมามนทิพบังเกิดเป็นที่เสวยผลพรหมโลกก็ยิ่งสุขหนักพระองค์ก็เลยไม่ตั้งศาสนานไว้ที่เทวโลกแต่ตั้งไว้กับโลกมนุษย์ทําไมมนุษย์มีทั้งสุขและทุกข์ผปนกันไปแต่ ความสุขมันน้อยความทุกข์เหมือนมากพู้องค์จึงชี้ไปที่ทุกข์เพื่อให้เราได้เห็นเห็นว่าอะไรเห็นว่าก็เมื่อชีวิตของเรามีความทุกข์เราจะพึงพอใจให้ชีวิตตัวเรามีความทุกข์สืบต่อไปอีกหรือไม่นั่นหมายถึงว่าเราจะสืบต่อทุกข์หรือเราจะดับทุกข์เนี่ยหากเราต้องการจะสืบต่อทุกข์ผองค์ก็บอกว่าถ้าจะสืบต่อทุกข์ก็ไม่เป็นไรทําบุญไว้นะเพราะบุญนั้นจะเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ในที่ที่เราได้ไปเกิดแต่ถ้าไม่อยากจะสืบต่อทุกข์ทาไ สัจจะมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่จิตของเราก็เมื่อสัจจะอยู่ที่กายที่จิตทําไมเราไม่รู้จักเพราะความไม่รู้นี่เองคือปัญหาอวิชชาปัจจญาสังขาราความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไอ้ตัวความไม่รู้เนี่ยตัวลกเงาแห่งความทุกข์ทั้งมวลที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจและที่ไม่รู้แหละพระเจ้าบอกไม่รู้ไม่รู้อะไรพระเจ้าบอกมนุษย์เราน่ยมีความไม่รู้อยู่8ประการเราบางคนก็บอกเอ๊ะเกิด บางคนเรียนมาศึกษาความรู้ทางสถาบันทางการศึกษามาจบสูสงอย่างคุยกับโยมีน่นหนบอกจบเด็กวัดอย่างเงี้ย แ, แต่เด็กวัด ก, ก็ความรู้ก็สามารถนำพานะไปสู่การทำงานระดับประเทศชาติได้อย่างเงี้ยนะเป็นถึงกับผู้บัาชาการนั่นหมายถึงว่าความรู้ในเรื่องเหล่านั้นเป็นความรู้ในการดารงชีพ ความรู้โดยการดำรงชีพน่ะมันไม่ใช่ความรู้ในความหมายของพระุทธเจ้าความรู้ในความหมายของพรุทธเจ้าคือเป็นความรู้โดยความเป็นสัจจะความรู้ที่เราใช้ดํารงชีพน่ะยังไม่ใช่สัจจะนะแล้ก็ใช้เป็นเครื่องประกอบอาชีพทําการทํางานเป็นเครื่องประกันชีวิตตัวเองให้พอที่จะอยู่ได้ในสังคมอย่างเงี้ยพอให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ความรู้โดยความเป็นสัจจะนั้นพวกเราไม่รู้อยู่8ปประการไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต ไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับไปของทุกข์และไม่รู้ทางปฏิบัติถึงความรดับทุกข์อันที่8ก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุ ป, ปบาทเนี่ยคืออวิชชา8ปนั่นเองโดยความที่เราไม่รู้8ประการนี้เองจิตเราจึงถูกปิดบังหุ่มห่อไม่ให้ทราบสัจจะที่มีอยู่ในภายในตัวของเราการที่เราจะรู้จักสัจจะที่อยู่ในตัวของเราได้เราก็ต้องทําลายความไม่รู้นี้ จะทำรายยังไงเมื่อพระเจ้าทรงบอกว่าเราไม่รู้อยู่8ประการคือไม่รู้อดีตเราก็ต้องไปรู้อดีตสิคำว่ารู้ไม่รู้อดีตเนี่ยและเราไปรู้อดีตไปรู้อย่างไรก็เราไม่มียันอย่างทราบอดีตพระเจ้าบอกว่าแม้ขณะหนึ่งที่ล่วงไปก็คืออดีตขณะหนึ่งที่ล่วงไปนะหมายถึงว่าเขมีนาทีกระดิกไปครั้งหนึ่งเนี่ยคือชีวิตเราล่วงไปแล้วการที่สิ่งเหล่านั้นล่วงไปละไปดับไปสิ่งเหล่านั้นคืออดีต เพราะฉะนั้นเรามีอดีตคือพาไว้แห่งชีวิตที่ล่วงไปละไปดับไปโดยลําดับนะตั้งแต่วันเกิดจนมาถึงถุกวันนี้และชีวิตเราก็ล่วงไปละไปดับไปการที่พโองให้ทราบอาดีตเพื่อให้เกิดปัญญารู้ว่าอาดีตเรามีตัวตนจริงหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวตนที่แท้จริงของกายเนี่ยมีจริงไหมตัวกายที่เรายึดถือเป็นตัวเราเป็นขอ ง, ของเราเอย่างเงี้ยเราทุกคนยังไม่สามารถทําลายความยึดถือได้แล้วก็ยึดกันต่อไปแต่ให้เรารู้ความจริงของกายว่า กายมันเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมาตัวไหนที่จะเป็นตัวตนคําว่าเป็นตัวตนในความหมายของพระเจ้ากคือตั้งมั่นยั่งยืนคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าโดยประการใดๆเลยร่างกายจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวตนที่คงที่อยู่อย่างนั้นถ้าเป็นเด็กก็คือเด็กอย่างนั้นร้อยปีพันปีห0 0 0 0ปี0สนปีอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นการที่พงให้รู้อดีตก็คือเห็นให้รู้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายสังขารเด็ก เราเป็นยังไงตอนเป็นทาลกโตขึ้นมาอีกหน่อยเราเป็นยังไงไปตอนเป็นเวรุ่นเราเป็นยังไงตอนเป็นผู้ใหญ่เราเป็นยังไงช่วงใบกลางคนเราเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดตอนนี้เราอยู่ตอนนี้แล้วเราคิดดูว่ากายนี่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดหาความเป็นตัวตนของมันเองไม่ได้นั่นแสดงว่าอดีตไม่มีตัวตนที่แท้จริงในความเป็นตัวของเราได้เลยไม่รู้อนาคตก็หมายถึงว่าการที่เราทราบอดีตแล้ว จะทำให้เราทราบอนาคตได้ว่าอดีตเรามีชีวิตแห่งความเปลี่ยนแปลงหรือกายของเราเนี่ยไม่คงที่และแปรปลีนไปในลักษณะไหนเราก็จะมองเห็นอนาคตได้ว่าอ๋ออนาคตก็ต้องดําเนินไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนเดิมหาความคงตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่เป็นตัวตนที่แท้จริงในอนาคตในวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีนอกจากจะไม่มีแล้วมันยังจะดําเนินไปสู่ความแตกสลายคือสิ้นสุดแห่งอายุไข นั่นคือการแสดงออกถึงความไม่มีกายอย่างแท้จริงการเป็นอยู่ของกายจึงเป็นการแค่การก่อเกิดและประกอบกันขึ้นด้วยอํานาจของอวิชชาบุคคลผู้ทําลายอาวิชชาได้จะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะก่อเกิดให้เป็นตัวตนรูปร่างได้อีกเหมือนทางพทธเจ้าพระองค์บอกว่าตถาคตปาลินิพานไปแล้วคือกายแตกสลายแล้วขันทั้งหลายมีสามารถดํารงอยู่ได้แล้วนัถึงความดับดับสิ้นไ ป, ลปเลยปาลินิพาน จะไม่มีการกอร่อเกิดอีกในที่ไหนจะไม่มีใครสามารถเหตุสถาคตได้อีกในที่ไหนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกหรือโลกอื่นอีกพระองค์จะไม่ปรากฏนั่นเป็นคํายืนยันในความหมายที่พระองค์ทรงกล่าวถึงว่าหากบุคคลผู้ใดก็ตามรู้จักสัจจะในตัวของตัวเองคือสัจจะทางด้านกายเนี่ยว่ามีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็จะสามารถคํานวณและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในจิตจิตเราก็จะเกิดความรู้ในอดีตว่าอดีตเราไม่มีตัวตนที่แท้จริง อนาคตเราก็ต้องไม่มีตัวตนอยู่แล้วพอดําเนินไปสู่ความแตกสลายแล้วปัจจุบันล่ะเราก็จะอาจจะงงเอ๊ะปัจจุบันนี้เรามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนหากเราไม่ฝึกที่จะมองเห็นขณะปัจจุบันแห่งกายของเราอยู่ในเวลานี้ว่ามันมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนถ้าเราไม่เห็นความจริงแล้วเราก็จะตอบไม่ได้ตอบตัวเองไม่ได้หรอกว่ามีหรือไม่มีอาจจะฟังมาจากหลักคําสอนอยู่เหมือนกันว่าเราไม่มีตัวตนแต่เราจะเห็นความจริงในความไม่มีตัวตนได้อย่างไร พระโวงศ์บอกว่ารูปเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นรูปคือกายสังขารที่เราเป็นอยู่มันจะเป็นอนัตตาได้อย่างไงเราจะต้องฝึกบองให้เห็นเราจะมองเห็นยังไงว่าขณะนี้หรือปัจจุบันเวลานี้เราต้องมาทราบเพราว่าปัจจุบันขณะแห่งปัจจุบันคือขณะไหนเป็นช่วงเวลาใดถามว่าเราจะเอาช่วงไหนคือขณะเวลาใดว่าเป็นปัจจุบันอดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วปัจจุบันเราจะเอาช่วงไหน เพราะขณะปัจจุบันคือความเคลื่อนไหวแห่งชีวิตที่มันไม่เคยหยุดนิ่งและแปรปวนไปอยู่ตลอดเวลาขณะปัจจุบันถ้าว่าขณะปัจจุบันนี่คือความที่คงอยู่มีอยู่หรือตั้งอยู่นั่นแสดงว่าชีวิตเราตั้งอยู่เพียงแค่ขณะเดียวเม่ได้ตั้งอยู่ตลอดกาลเพราะอะไรเพราะขณะหนึ่งที่มันตั้งอยู่นั้นจังหวะที่มันตั้งแล้วมันก็มันจะดับทันทีพุทธเจ้าบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดแล้วอันนั้นจะดับ ตามหลักของเราต้องเอาทางทา ง, ทางกายภาพหรืออนาโตมีทางทางการแพทย์มาเทียบเคียงเขาบอกว่าเซลล์หนึ่งดับไปเซลล์เซลเซล์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยมันขนาดวินาทีหนึ่งกระดิกเข็มวินาทีหนึงกระดิกครัง้งนึงเนี่ยเซลล์ที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันสืบเนื่องกันเนี่ยเกิดดับไปเม่อไหร่10ล้านครั้งหนุนนะขนาดหนึ่งอ่ะเข็มวิน า, นนาทีหนึ่งนีง่นะนั่นหมายถึงว่าชีวิตเราไม่สามารถตั้งอยู่เป็นตัวตนได้สักขนาดหนึ่งเลยคือขณะที่ตั้งอยู่ก็ดับแล้ว ขณะที่ตั้งอยู่กระดับเราดูเข็มนาฬิกาก็ได้เอาเข็มนาฬิกากระดิกไปหนึ่งถ้าเราจะบอกว่าเวลานี้เป็นเวลา1ิบเอนาฬิกาสมมุตินะเวลาเท่าไหร่จริงเท่าไหร่ตามากระซักถ้าเราบอกว่าเข็มวินาทีกระดิกไปที่1ิบเอนิกาแล้วถามว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่า1ิบเอนาฬิกาขณะที่เราบอกว่า1ิบเอ็นิกาเนี่ยเข็มวินาทีมันกระดิกไปหรือยังมันเป็น1ิบเอนาฬิกาจริงไหมไม่จริงนั่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถชี้ไปในจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตของเราได้เลยว่า มันเป็นตัวตนที่มันตั้งอยู่ได้ยังไงมีอยู่ได้ยังไงเป็นตัวตนของเราที่เราจะยึดเอาได้แต่เนื่องจากเราไม่เห็นตรงนี้เขาเรียกาขาดวิปัสสนาในการอย่างทราบคือไม่อนุโลมยานไม่ไม่ไม่คล้อยตามความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในหลักคําสอนเนี่ยเราจึงสามารถยึดเอาตัวตนทั้งตัวเองที่มันไม่มีตัวตนให้เป็นตัวตนเกิดเป็นที่ยึดมั่นถือมันในตัวตนขึ้นมาได้ตรงนี้นี่เองจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์และวิชาครอบงาเมื่อวิชาครอบงาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให คือการสื่อต่อทุกข์ให้กับตัวเราเนั่นเองเพราะนั้นการที่โพลทรงตัดะว่าที่เราไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยคือไม่รู้ความเป็นจริงในกายไม่รู้สัจจะในกายไม่รู้ธรรมะ<กา>รคือตัวกายเนี่ยที่มันหาความคงที่ไม่ได้แม้แต่สักขณะหนึ่งสังเกตว่าทําไมเราต้องหายใจหรือหายใจเข้าแล้วทําไมเราต้องหายใจออกหรือหายใจออกแล้วทําไมเราต้องหายใจเข้าก็ถ้าไม่หายใจเราจะไม่คงอยู่ได้นั่นหมายถึงว่ากายจะมีอยู่ได้หรือเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยเครื่องพยุง ให้เป็นไปมันไม่สามารถมีอยู่ตั้งอยู่โดยตัวของมันโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเลยการที่ร่างกายต้องอาศัยลมหายใจอาศัยอาหารอาศัยชีวิตความเป็นอยู่อาศัยบ้านเรือนหรือเครื่องปัจจัยต่างๆให้กายเนี่ยคงอยู่ไปได้เท่าที่อายุไขที่จะเป็นไปได้หากไม่เกิดเหตุวิสัยอั น, อนการก่อนอายุไขอะไรประเภทนี้เราก็จะอยู่ไปได้จนถึงอายุไข ก็คือเรามีเหตุปัจจัยที่คขำชูให้ร่างกายพอเป็นไปได้แต่ถ้าโมเหตุปัจจัยเหล่านั้นเมื่อไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะยึดเหนี่ยวลังให้กายสังขารของเราคงอยู่ไปได้ตลอดนะที่เห็นได้ชัดก็คือนะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาพูพ้ทธิพลอดุลยเดชเมื่อถึงคราวที่จะต้องสวรรคตองค์ก็ต้องเป็นไปตามหลักของธรรมชาติหรือหลักสัจจ์อย่างนั้น คือทุกคนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวพวกองค์จึงพยายามชี้ให้พวกเราได้เห็นเห็นความจริงในกายเมื่อเราไม่รู้อดีตเราก็ไปรู้ซะอวิชาในอดีตก็ถูกทําลายเมื่อเราไม่รู้อนาคตเราก็คํานวณอย่างทราบว่าเมื่ออดีตมันแปรปรวนอนาคตกายเราก็ต้องเปี่ยนแปรปวนและเปลี่ยนแปลงมันก็ทําลายความไม่รู้ในอนาคตได้เมื่อเราไม่รู้ขณะปัจจุบันว่าขณะปัจจุบันก็คือ เปลี่ยนอยู่ทุกขณะหาความคงที่ไม่ได้สักขณะมันก็จะทําลายอาวิชาในขณะปัจจุบันได้พวกเกาบอกอวิชาระดับต่อมาคือไม่รู้ทุกเราก็มาทราบนะอ๋อเพราะความที่กายมันแปรปวนโดยสิ่งที่มันล่วงไปละไปดับไปอยู่ทุกทุกขณะและอนาคตจะเป็นไปก็เป็นไปโดยเหตุปัจจัยแห่งความแปรปวนและเปลี่ยนแปลงไปสึงความแตกสลายและดับสลายปัจจุบันก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้สักขณะหนึ่งชีวิตแห่งความเป็นอยู่นี้ ดำลงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆควบคุมค้ำชูเป็นที่อาศัยด้วยเหตุปัจจัยจึงตกอยู่ภายใต้ห่วงแห่งทุกข์อากาศหนาวถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เป็นความสุขหรือความทุกข์เราง่วงแล้วเราไม่ได้นอนบางคนทํางานหามลุ่งหามค่ำมไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือมีปัญหาต่างๆรบกวนภายในจิตใจจนนอนไม่หลับเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีอาหารมีมีความหิวแต่เราไม่ได้กินอาหารเป็นความสุขหรือความทุกข์อย่างเงี้ย ร้อนแล้วไม่ได้อาบน้ําหรือว่าหนาวไม่ได้ห่มผ้าคือสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นเครื่องสะท้อนให้รู้จักความทุกข์ในชีวิตที่เราเป็นอยู่แต่ปรากฏว่าความทุกข์เหล่านี้เราไม่ได้รู้เท่าไหร่แล้วทําไมเราไม่รู้เพราะเรามัวแบกรับความทุกข์ที่มากระทบกับชีวิตเราเออเรากลว่าเรามาทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ทุกต่างๆนานาประการจริงๆแล้วการที่วงทรงชี้ให้พวกเราเห็นทุกข์เนี่ยเพื่อให้เราตั้งสติรับรู้ การตั้งสติรับรู้ทุกข์อะไรนั่นอ่ะมันจะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลประโยชน์ยังไงเกิดประโยชน์ตรงที่เวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่หลงเป็นไปตามอาการแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะสามารถกําหนดรู้ได้ว่าอ๋อนี่ทุกข์อ้าทำไมต้องทุกข์ก็ก็มันเป็นทุกข์พระเจ้าบอกว่าความที่ร่างกายเป็นอยู่ดํารงอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัยอื่นนี่แหละมันคือความทุกข์ในตัวข้ามัน การที่ร่างกายมีความทุกข์ในตัวของมันก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของความทุกข์นี้ให้เป็นความสุขได้พวกองค์จึงบอกว่ายาติดกับความสุขใดๆอันเกิดจากกายหรือจิตหากเราไปติดอยู่ก็เท่ากับว่าเราปฏิเสธความทุกข์ที่มันเป็นสัจจะที่แสดงตัวอยู่ตลอดเราก็จะพยายามกระทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ความสุขมาพวกบอกว่าการกระทําทุกอย่างเพื่อได้ความสุขมาเนี่ยพวกบอกเปลือบเปลีป่ยนเส ม, มือนกับตักน้ําใส่ถังรั่ว มันเต็มไหมเราแสวงหาความสุขใส่ตัวเราใสกายใส่ใจเนี่ยเราหาอาหารมาให้มันกินกินดีแค่ไหนก็ตามมันป่วยไหมให้มันนอนดีแค่ไหนก็ตามมันยังเจ็บแค้งปวดขาอยู่ไหมบางคนก็ปวดหัวบางคนก็เป็นไมเกรนอยู่จนไม่รู้กี่ปีกี่ปีกว่าจะรักษามไม่รู้จะหายหรือไม่หายเป็นบัดก็เป็นตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เนาะคือความทุกข์มันมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอาความสุขมากร u เกินความจริงคือความทุกข์อย่างในกายในจิตของเรามไม่ได้พวกจึงบอกให้ยอมรับทุกข์เกิดขึ้นรู้และยอมรับ เหตุให er er the ้เกิดทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์รากง่ายคืออวิชชาแต่พระองค์ทรงแสดงตันหาซึ่งเป็นฉากหนึ่งในจิตที่มันแสดงออกต่อความทุกข์ที่เกิดกับชีวิตของเราหมายถึงว่าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่กคยใช้ตันหากับความทุกข์คือใช้ความอยากที่จะเข้าไปแก้ไขมันพู้เย้าบอกว่าถ้าเอาตันหาไปแก้ไขทุกข์เนี่ยไม่มีทางดับแต่ใช้ปัญญาเข้าไปดับถึงจะดับได้การใช้ตันหาจึงไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเลยนั่นหมายถึงว่าเวลาความทุกข์เกิดขึ้น เราอยากให้มันทุกข์ดับแค่ไหนก็ตามถ้าทุกข์มันไม่ดับมันก็คือไม่ดับจะใช้ความอยากแค่ไหนมันก็ไม่ดับเพราะความทุกข์ไม่ได้ดับตามความอยากของเราแต่ความทุกข์จะดับไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ขึ้นตรงต่อใครพระองค์จึงบอกว่ารู้จักทุกข์แล้วก็ละเหตุคืออย่าไปใช้ความอยากกับความทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์ความไม่รู้ในทุกข์ก็ถูกทาลายคืออวิชชาในทุกข์ก็ถูกทำลายเมื่อเรารู้เหตุให้เกิดทุ ก, ก, กทข์ say, <ๆ>แล้วก็สามารถดับเหตุได้และเมื่อเราดับเหตุได้นโรกก็ปาฏ คือความดับไปของเหตุนั้นก็แจ่มแจ้งขึ้นมาว่าอ๋อทุกเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมันจะดับก็ต้องดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเราจะไม่ใช้ความอยากการที่เรารู้จากทุกรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์และจากความดับอย่างนี้แหละคือมรรคทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์และมรรคนี้เองจะเราจะทําให้เราทราบถึงกฎปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะไม่รู้จึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดอายตนะ อาญานัเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเวทนาตันหาอุปทานภพชาติชราพยาธิมรณะโศกะบรลีเหว่าทุกโทมาน า, ญญาตุอุบายยากของคนก็บอกให้พูดภาษาบาลีนี้เข้าใจยากนะแต่คนวัดเด็กวัดเองไม่ยากหรอกคงจะคุ้นเคยกันแต่ก็ต้องยกมาเป็นคําที่พงพระศาสดาทรงสอนไว้เป็นห่วงโซ่การที่เรารู้จักกระบวนการที่อาตมาอธิบายมานนี่คืออว่าเป็นการทําลายอาวิชชาการทําลายอาวิชชาเนี่ย เราไม่ต้องไปนั่งสมาธิหรือเจริญวิปัสนาที่ไหนแต่ให้เราทําในขณะที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่คือเข้าไปรู้มันเลยมันไม่รู้อดีตไปรู้อดีตมันไม่รู้อนาคตไปรู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันก็รู้ปัจจุบันนี่ไม่รู้ทุก็รู้มันทุกตรงนี้ไม่รู้เหตุก็ดูเหตุคือความอยากที่เกิดในใจเราให้ได้คือให้เราฝึกรู้อย่างนี้ในชีวิตประจําวันของเราฝึกที่จะรู้อยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆื่ การที่เราฝึกรู้มันจะเกิดอนุโลมญาณอนุโลมญาณคอยตามอริยสัจรู้ทุกรู้เหตุที่เกิดทุกรู้ความดับไปของทุกรู้ทางดับทุกอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันความไม่รู้ก็จะถูกทําลายไปทุกๆขณะทุกๆขณะไม่สืบต่อจากการที่เรากําหนดหมายทราบธรรมะคือความจริงแห่งเหตุปัจจัยของกายของจิตอย่างนี้อยู่เสมอเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาในการรอบรู้ กองทุกข์ในกายสังขารและจิตสังขารคือลูกกับนามประมวลลงแล้วก็คือเป็นความทุกข์โดยตัวของมันเองหมายถึงว่ามันเป็นความเป็นเองของสังขารที่มันเป็นอยู่อย่างนี้โดยที่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงผู้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นความสุขได้พงค์จึงสอนให้พวกเรายอมรับแล้วอย่าไปสแสวงหาความสุข เอาบางคนบอกไม่แสวงหาความสุขจะให้แสวงหาความทุกข์เหรอบอกไม่ใช่เราธรรมะของพระเจ้าเป็นเป็นทางสายกลางคําว่าทางสายกลางหมายถึงว่าเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงคือความทุกข์ให้เป็นอย่างอื่นได้เราก็อย่าไปอย่าไปเปลี่ยนมันเมื่อเราไม่ไปเปลี่ยนมันเนี่ยเราก็รู้แล้วละเหตุรู้ทุกข์และละเหตุของมันเมื่อเรารู้ทุกข์และละเหตุของมันจิตของเราจะสามารถ อยู่เหนือความทุกข์ที่มันเกิดโดยที่เราไม่สร้างเหตุสืบต่อจากความทุกข์เดิมที่มันเกิดก็คือเราไม่สร้างเหตุใหม่กับความทุกข์ที่มากระทบเหมือนกับนางวิสาขาที่นางไปติดต่องานราชการกับพระเจ้าปเสนที่โกศลแล้วไม่สําเร็จผลไปถึง3ครั้งเพราะถูกอมาตะกีดกันไม่ให้งานผ่านนางก็มีความทุกข์เศร้าโศกเสีสยใจพระเจ้าก็บอกว่าวิสาขาการงานที่ไม่เป็นไปตามอำนาจก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละ จะไปทุกข์กับมันทําไมความหมายของผู้เจ้าก็คือว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์จะไปทุกข์เพิ่มจากทุกข์เดิมที่มันเป็นอยู่ทําไมก็มันทุกข์ก็คือทุกข์ไปสิไงจะไปทุกข์กับมันอีกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนักวิสาขาได้สติขึ้นมาอ๋อมันเป็นทุกข์อยู่แล้วจะไปทุกข์กับมันอีกทําไมเนี่ยพอได้สติขึ้นมาปุ๊บจิตก็สงบพอจิตก็สงบก็สามารถเข้าใจหลักการโดยหลักธรรมในความเป็นจริง อะไรก็ตามที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อย่าไปเปลี่ยนแต่อะไรก็ตามที่เราสา ม, มารถทําได้ที่อยู่ภาวะวิสัยและอํานาจของเราให้ทําการที่เราทําในอํานาจของเราจนเกิดความสําเร็จในสิ่งที่เราทํานั้นอ่ะมันจะเกิดอํานาจแห่งความเปลี่ยนแปลงเองโดยตัวของมันเองเ <l ots> พราะอะไรทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรคงที่และไม่มีไม่มีอะไรหยุดนิ่งคนคนหนึ่งสามารถเป็นคนดีได้ ประเสริสุดเป็นเช่นสมาสัมพุทธเจ้าก็ได้คนคนหนึ่งเลวได้เหมือนกันเหมือนกันกบเทวทัตได้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองหรือไม่เปลี่ยนตัวเองสุดท้ายเทวทัตก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาพปัจเจกับพุทธเจ้าพรานามว่าอิทสละในอนาคตการอีกแสนกลับนั่นหมายถึงว่าไม่มีอะไรคงตัวอยู่ในตัวข้อมันเองในสรร พ, พสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อไม่มีอะไรก็ตามคงที่คงตัวอยู่ในตัวข้อมันทั้งดีทั้งไม่ดีพระองค์จริงแสดง พุทธปัญญาอันอยู่เหนือสรรพสังขางรทั้งหลายเหล่านี้พุทธปัญญานั้นจะนําดวงขิดดวงแกอวบุคคลผู้เรียนรู้และเข้าใจหลักสัจจะนี้ไปสู่วิถีเห็นความหลุดพ้นพ้นไปจากสิ่งที่เป็นสังขารทั้งปวงเข้าสู่อสังคตรธรรมคือธรรมที่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นและธรรมนั้นยังสามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันนี้อยู่หากปฏิบัติถูกต้องตามหลักทำคำสอนของรรพระศาสดาเจ้าโดยดําเนินตามดําเนินตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่ามรรคแปด ในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นเส้นทางยังสมบูรณ์แบบอยู่ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดแต่การเดินของเราจะเดินถูกหรือเดินผิดก็ขึ้นอยู่กับการเดินของเราเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในขณะที่เดินแค่ไหนหาเราปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในศาสนาีได้เราก็จะสามารถรู้ความสิ้นทุกข์และความดับทุกข์ในใจเราได้โดยเป็นปั จ, จตังเวทิโตโบวินยูหิอธิบายธรร ม, มาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในวันนี้ ฮะตอบคาถามคนที่จะบวชจําเป็นต้องขออนุญาตพ่อแม่เสมอไปไหมครับถ้าเราพูดตามหลักพระวินัยแล้วก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่เสมอไปนะผิดพลาดไม่ได้ตรงนี้ต้องขออนุญาตไม่ขอไม่ได้เ พ, พราะพระวินัยกําหนดไว้อย่างนั้น แล้วทําไม่ขออนุญาตไปบวชเลยจะเป็นภิกษุไหมตามพระวินัยว่ายังไงจะเป็นภิกษุไหมคือไม่ได้ขออนุญาตพ่อแม่หรือพ่อแม่ตายไปอย่างเงี้ยแต่มีญาติผู้ใหญ่คนอื่นอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากใครเองก็ตามหากไปบวชแล้วจะนับว่าเป็นภิกษุได้ไหมตามพระวินัยว่ายังไงได้หรือไม่ได้ฮะพนมพอนใกรณีที่พระครูสวด สอบถามว่ามาตาปิหอนุ ญ, ญาโตสิมาตาปติหิอนุญาสิมานาบิดาอนุญาตหรือเปล่าใช่ไหมอนุญาตหรื อ, อยังตัวนี้ก็จะตอบถ้ามีคนัด้านก็ือว่าไ ม, ไม่ไม่สำเร็จไม่สเร็จก็ตรงนี้มันมีถามกันอยู่เขาเรียกว่าอันตรายที่กระทำทำที่เป็นอันตรายต่อการบวชก็ถือว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องขออนุญาตอยู่ดีไม่ขออนุญาตไม่ได้นะเข้าใจนะผู้ที่ถามมายังไงก็ต้องขออนุญาตพ่อกับแม่ บางรายบอกพ่อแม่บอกกูอยากให้บวชตั้งนั้นไม่เห็นมันบวชสุกทีอะไรพวกนี้ก็มีอย่าไปขโมยบวชนะไปไปขออนุญาตดีๆไม่งั้นเป็นพิธิสาเร็จเป็นพิธีสูงไม่ได้เป็นเป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่งแม้จะเป็นพิธีทางการอุปสมบทก็ก็ควรยึดถือเพราะนั้นถ้าจะสําเร็จเป็นพิธีสูดได้ก็ต้อง ผ่านพิธีกรรมนด่แหละมีใครจะถามหลักธรรมหรือข้อธรรมไหนมีไหมอธิบายเมื่อกี้พอจะเข้าใจกันไหมพออเข้าใจอยู่นะไม่งงนะงั้นก็ก็เสร็จกิจพิธีในการ อ, อทำบุญแล้วก็การสาระดับฟังธรรมเทศนา ในวันนี้ตมาก็จะได้อวยพรให้กับพวกเราทุกคนขออํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายสังฆทานบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอาตมาขอบุญทั้ง3าประการ น, นี้จงเป็นมหันตเดชานุภาพอํานวยอวยพรตอบสนองให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้ประสบความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานจเจริญด้วยวันณนะมีผิวพรรณผ่องใส จเจริญด้วยสุขะมีความสุขกายสบายใ จ, จเจริญด้วยพระมีกำลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรง <c oughs> และขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายสิ่งชั่วรายทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตของพวกเราจงบรรดาสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตนุนนําจิตใจของพวกเราทุกคนให้เกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรมพ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันาการและอนาคตการด้วยเถอ